ตัางตาปฏิบปฏิบัต <rinse vé> ิใส so ่การปฏิบัติเพ so ื so so aden, so so ่อช <Okay. S 2> ่วให้ซ่อนตัวควรเกิดขึ้นพาอาศัยสติหรือห้อนี้สติจัดจ่อจ่าจบริกรหรือ้างีแพแเท่าก็นี้สติจัดจ่อเยอะฮะแมทบริกรของเ้องมเอาจิตเอาใจใส่ละเอียหลอด ยิ่งไปตามสัญญาอารมณ์สีมาพันด้วยการท้วนคิดใจให้คือว่าทําบริกรรมปณีที่ท่านคิดท่านใจเขาให้เขาถึงถึงความสงบเห็นได้ควการปล่อยจิตปล่อยใจไปตามสัญญาอารมณ์ยปปล่อยมากเห็นเรล่าโน้มน้าวบอกให้รับความุูคล่อมสบายจากการปล่อยนั่นนั่นหรือถึงเพราะมีความุูคล่มสบายตัวเป็นที่พ่อใจของเขา ใช่ไหมทุกอบรมหัดสติตั้งคิดตั้งใจบริกรรมจริงจังเป็นบริกรรมพุทโธธัมโมโห่ต่างั้งโ ค, คกต่างนี่คืบริกรมเ uh สรษฐาโลมาตามบริกรรมย่หันเกิดคิตของเท่าแต่ข้ามบริกรรมนั้นเป็นอันเดียวกันบด้วอกแหวนคล่อนแฉนไปตามสัญญาอารมอันใดพุทโธ ข, ขจจ้ามใดคิดใจแตอันนั้น เป็นอันเดียวกันอยู่เชื่ชลลอมจิตใจร่งร่วมหน่วยร่วมลงไปเอานึกบ่ได้ครับอย่างสีน่าบริกรรมท่านนั่นท่านหนึ่งพอจิดมาร่วมคือมัมนร่วมจากปัญญาอารมณ์ทั้งหมดลงไปร่วมอยู่เหตเหตุอันเดียวอยว่างว่าเอกขจารลมมันจะฟั่ลู มาเป็นหึเท่านั้นอันอื่นบอสเหอมากเกี่ยวของัวดพันเกิดอะจะคิดควรนั้นอนถอนสุดมากยังติดใจเลยหน้าจินอื่นใดคิดมันลงมันร่วมอยู่ยงนั้นที่ใจหน้าอันใดบ่ได้คุณจักรเสแจก้องเป็นหนึ่งต้องจ่ยอยู่จันความทุกข์ิดติดลงร่วมน่ะเข้าสีหูใ่จากในมเหาผูห้องเกิดเขาทำ ความชุกเด่นเป็นความชุกที่ดีเดนเป็นความชุกที่เห็นได้งาหาจงฮะดในสถานที่ได้ใบดบ่ได้เห็นบ่ได้เรื่องไหนสารปฏิบัติภายในทางใจเท่านั้นความเป็นยางนี่เขาเกิดขึ้นมาหลายปีหลายเดือนบ่เคยแต่พบเห็นเพ่อจะเห็นในการนี่ใชหนี่พระพุทธเจ้าเป็นหเป็นเห็นความชุกดีเด่นยางนี่เป็นจเนียต์าสงสารส่ง เหตุสอนแต่ชาติส้นส้นละเมืออภูมิงดีรังดีหาความสุขให้ต่อสืปฏิบัติความเพียงควมลงร่วมของจิตเป็นความสุขที่เนือโลกเป็นความสุขที่แตจากสำหรับภูตกอสืบปฏิบัติเมื่อคิดลงร่วมใดท้าไใดข้าวหนึ่งแหากาจะนทร์สีอ่อน ในกา ร, รสึบปฏิบัติธรรมเป็นกา ร, รสึบปฏิบัติธรรมเป็นของสําคัญยิ่งตะชินทั่วไปในโลกอยากเล็ดอยากท่ามอยากงูอยากเสี ย, ยนประทับใจยู่อย่างน่ะเพราะความเปลี่ยนมันประจักษ์ไมเหมือนเวลามันลงมันรวมใจมันได้รับความสว่างสวายใจมันได้รับความทุกความสบายยิดลงรวม <c oughs> มันถือว่า เ, เป็นสมาธิ เป็นซ้ำตั่งมันของจิตของใจเมื่อคิดลงเยี่ยมใดเขาพิแัยหน้ายื่างใดจิเคยยิดของของผ่านจิเคยคิดเคยอ่านจิเคยหุ่นเคยไหวมันหายไปได้คข่ไข่เงครับเหนียกครับาดดาบของเฮาผ่านเฮารับเฮาฝนคลุมจิตหรือไปฟันอันใดก็บขาดจิตของเฮาอยู่ธรรมดาจินื่อยจิตขาดจิมันจีลืมบ้ ฝนเดืรับจะเคียไปาัดอีงมาจะเคียเวล่าขาดบัได้ง่ายดายา้ครัมใจของเขาป่าถนามีจิตคิดร <c oughs> ่องร่วมเป็นสมาธิจิตมีความตั้งมัน่นที่แย่หน้าขาดขันจะเห็นระจักที่แจ่แหน้าอันใดก็เข้าใจชัดเจนเป็นการ <c oughs> ละการมัมเ่เพียนไปได้เพราะฉะนั้นเสนเหลื่องจิตเหลื่องใจคิดร่องร่วมเขาถึงซึ ปุ่งกาลำขนันจิดอ่านหน้าหน้าประการพอเข้าบริัเห็นอา น, นิงงสงของความลงรวมของใจเข้าจางัางปัดขาความเสื่อมหมันจนัมีน่อยบางที้กถอแต่ถอยแต่ฮดแตาโฮได้ใจเมาเอาว่าเข้ า, าขอยงเป็นผู้ถิบัตรน้าน่อยบุญหน่อยเห็ดบัวด่ทำบัเป็นเื่อคนความสิงเาเห็ดบถึงมันกันเทถึงมันละ่ะเป็นอยู่สุน้นเห เ้าวบนันส้นบุน่อยวาสนาน่อยเป็นส้นจี่สมบูรณ์สิงทุกอย่างจี่มนุษย์นี่ข้าเป็นผููนิ่งแต่เป็นผููนิ่งเต็มภุ่มของผููนิ่งเป็นผููช่แต่เป็นผูไส่เต็มพุมพ่มของผููไส่บ่อาพัาพาพาพพาบอัอบวาสนาส่วนใดเกิดจะเกิดขึ้น ม, มาแล้วจ <c oughs> ี่ิศแตยังยืนยงค้อ ง, ย, อ ง, องอยู่แล้วกันสดับราบฟังขเขาก็เคยสดับราบฟังมา แต่ปัญญาถึงเคยวางให้เรือหลนบ่อคอยตั้งมันเอาอันใดบ่อใดพอชิจันดแจงดิ่งใสตามปัญญาอารมณ์นั่นชื่อเข้าบ่เคยฝึกเคยอบรมเข้าหาเข้าเคยฝึกเคยอบรมเขาหัวใจมันเข้าไปถึงขื่อลงร่วมใดล้ที่จะได้น่าอันใดใบเจมใส อันบริวาริสัยการเพกคิดเพกใจภูติเจ้าจังสอนอยากเห็พวกเขาทั้งหลายพกคิดพลิดใจของตนกอนถูกการอบลมเราต้องเชื่อมันเราต้องท่ามได้เจ้าก็เป็นคนคนหนึ่งเราท่ามบ่ได้โลกอันนี้บริวารวิท่ามได้ในตงใจเห็นแฉ่งยางนั่นแล้วท่ามกันจริงจังในคิดมันต่างหมั่นได้เห็นถูกเห็นใ่เห็นดรเห็นเด่นของ ความเปลี่ยนของคิดหักยึดได้ล่งได้ร่วมได้เป็นตังเป็นข้าวเป็นการเป็นสมัยก็ดีได้ซื้อว่าห้เ า, าเป็นผู้ถิ่นนี้ความสุขพอเป็นโมฆะมนุษย์เกิดมาพบพระพุทธศาสนาได<ๆ>้อุศลไปเรยาอยๆได้คุณงามความดีดืวยนิจิตตั้งมั่นนิจิตยังต่ง มีจิตเป็นทําบริลลุ่มหลงโลเลย่างจิตธรรมดาเหนจังว่าการภาวนาคือการจะทําให้เกิดไห่นี้ขึ้นจิงใด้ีมันบกช่างเกิดชั้นีนี้จะตภูตเจ้าตาไหวเขาทําให้มันเกิดมั น, นี้ขึ้นเพราะสตจิตมันก็บบริลอยู่ในจิตอื่นนี่อยู่ในสัว ข, ของเห่าอย่คือจอมละลึกปัญญาแต่ว่ามีจิดในจิตอื่นคือจอมหล่อหลูมมันอยู่ในเห่า ธรรมะของพระพุทธเจ้าทั้งหมดมันอยู่ในห้าวทั้งนั้นบวาสรีประชันหรือิธรรมแต่ท่านศรียุติบาศศีอินทร์หาพระราห่าดร้องเพีมากนีงองศ์แปดย่อมอยู่ในสายในใจของห้าทั้งนั้นบได้อยู่นั้สูงนะํทำที่อยู่ในสัวของท้าวมีมุนหาข้าคิดค้นฝึกฝออลรมทำีทูเช่นเราไหวในตาม ร, รับตามล่าเป็นตารัรบตารลาของจิ โมเมนตัวของติดแฉะโมเมนตัวของท่ำแฉะตัวของท่ำแฉะคือตัวของเขา้าเข้ากับพิษตัวเป็นท่ำเลยําหรับตามล่าทีละใอย่างใหลจิตใจของเข้ากับเป็นไปยางนะได้มีซ่อมเกิดความเพลินความสุขความสบายบอมอีซ่อมน้อยเงานหน่อยเหนือตามใจในเหนือได้ลาเกิดเย็บไข่ได้ถูกมากกวดีหรือในเหนือจึงที่เขารักเขาสอบใจรักขาดจากไปกวดี พอเข้าเห็นเป็นธรรมดาทีนจีแกนะ้ารอบคอในเหลืองฟังฐานจิตอามถั่วถึงแล้วมาว่ากายคนกายโตเป็นของบังทีร่งงย่างยืน่นเป็นของโกโป๊โโกโป๊กโขกเป็นของลมหายตายไปเหาของใจชาติเปลี่ยนยิดใจอาศัยกายแสบโลงตามกายอยู่สะดวกสบายเอกเทศแซมมันคือ เขาฝึกเขาอบรมมันไหนรับความฉุกความสบายอยังน่ะเขาผู้ใจจากจัสอนอยากให้ฝึกให้อบร่มจิตใจโมเมนตจิตใจฝึกในเหมือเวลาตายไปายฝึกเหมือเวลาเขายังมีชีวิตอยู่นี่แหละฝึกจิตฝึกใจทําคุณงามความดี่วนได้กับทาได้แต่เหมือเวลาเขายังมีชีวิตอยู่เมื่อตายไปแล้วทําบ่ได้หลังตายไอหนีงเขาจีไปเขาไปจีไป ขิมไปฟังบ่นไดมั่นเถอะเมื่อมีปัญหาเป็นธรรมดาของมันยางนั่นเขาคิดได้ยางนั่นการคิดคิดเอ่ร่วมใจการต่างทุ้งงามความดีในตัวของเขาเขาก็ลีบเด่งค้นควายไปตามอํานาจบาดตะนาของเขาบ่นอนคิจาอณาใจพวกพันทั้งหลายจิวสตาแม้แสวงหาบุญหาคุณตามสำนักต่างๆขอเพื่อ ความบ่นอ้อนใจในชีวิตชีวิตอันนี้จ้งวันสิได้หัดมือใดนั้นสิแตกสิแตกหลายใจเฮาบ่นอ้อนใจเฮาแสวงหาคุณงามความดีไรยิตมใจต้องเฮาคิดถึงอย่างคุ้นงามความดีเมือ่อใดอันนั้นเฮาแต่ได้เห็นอันนี้เฮาแต่ได้สัง่งยิ้ใจมันเบิกบานหันษาบ่าหุเหี่ยวบ่เดือดร้อนบคอ่คือคิดถึง ความส่วต้องมส่วน ท, ที่เฮาเจ็ดไสท่ามไปเฮาเว่ไปเฮาคิดใส่หาคิดขึ้นได้การไดสมัยใหมันเดือดร้อนมันแฉะเผาจิตใจของเฮาในรับความทุกข์ควนความดีเ้าไดาาี๋ยวสั่งหนท่ามบนไปไหลพระสวดมนต์ไปเดินจงกรมภาวนาเยื้องเฮายังบ้าน ข้นจากที่เหลือตัญหาเข้าแล้วลึกนึกได้จิตใจมันจะเบิกบานจิตใจมันจะเป็นสุขความสุขของจิตของใจอาศัยการทําการผูดการคิดในทางที่ดีว่ามันเกิดจากการอยู่ซื่อๆด้วยกันทําจิตใจเปี่ยนนั้นเข้าทุกคนที่อุตส่าห์มาศึกษ า, า, าสามารถทำบุญตุนท่นทานกับครูบาอาจารย์ได้แตาน ท, ท, ที่ต่างๆ ก็ไม่ฟัว่าเล่ามุ่งหนา้ามุ่งตาอยากจะแสวงหาบุญกุศลทุกซนทุกข้องใจเหนือเข้าทํำไปแหละมนเป็นสุกนนในจิตในใจแล้วเลือกใจเหมือใดเป็นซุกขึ้นในจิตข้องโสพอเขาได้ท้ำดีแต่ฐานที่ใ ด, ดที่จะส้างนทั้งหลายสนใจว่าเป็นเหนือหน้าบุญอันดีเข้ากอูซาไป ทําทบุญศิลท่านในสถานที่นั้นๆเพราะสมัยนี้มันพอหาได้เหลี่ยกได้วัดว่าครูบาอาจารย์นี่ผมไปขาเขานี่หูเขานี่ใจเขานี่เบ่งให้มันคักตั้งให้มันคักจีแหน้าให้มันขัดจังถ้าไปเพราะการทําบุญศุลท่านเป็นหน้าที่ของผูมีปัญญาที่เหลี่ยกขัดจัดหาท้ำขึ้น ว่านั้นทํามไปโดยวซุมซี้ซุ่มห่ทําไปเดี๋ยวซ่อมแยบค่ายในจิตในใจปุถีนี่ปัญญาอุตส่าหพยายามทํามในสถานที่ส้มควนในสถานี่ข้าหกที่ดีจริง ท, ที่เท้าท่าไปกับเกิดที่ดอกกำไล่ใบผลเป็นบุญเป็นกุศลแก่ตัวของเ้าการภาวนา จะเป็นอีกแง่หนึง่งซึ่งเป็นทางสี่ท่านจิตท่านใจให้มันคงเท้าว่อนเข้าไปยิ่งกว่าการให้ท่านอีกเพราะการให้ท่านการเสียบก็เปนใหม่เรียบเหมือนเสียบข้องมั น, านการรักษาศีรษะเสียบเหมือนหมอกเหมือนจะขี่ข้องมันการภาวนาเสียบเหมือนแกนข้องมันยึดใจข้องเหาเหมือ่ออกลมพินิจแจหน้่ได้ จิตใจโล่งร่วมยิตใจเสริมรู้ความตลาดไหนชื่อว่าเข้าเขาถึงแก่นถึงของศาสนาแก่นของศาสนอ า, าอันแห่นอนแท้ จ, จริงก็คือเรื่องของจิดของใจสีละสี่ถอนจริงสีพิษสีของใดอยู่สะดวกสบายทุกการทุกเวลาก่อมีจริงใดตีมากก่อขวนญให้ยึดใจของเขา้าหุ่นได้หรือเดือดร้อน ถึงหล่างกายหิบโปรยไข่ได้ทุกต่างๆส่วนจิตใจมอมีการโปวยไข่มอมมีทุกภายในแผกเขาพเพราะเห่าได้ทิจไรหน้าละถอนความยึดมัน่นคื่อมั่นในขาดในขันในจริงในของต่างๆนี่คือการภาวนาเป็นแกนของศาสนาแต่แกนที่จะเกิดขึ้นได้จะอาศัยเปี่ยนละขันบอมมีเปีนยนกับมมีแกนดอก ท, ท่านศีลภาวนาเป็นแกนกาวไหว เป็นสามอย่างคือในคือหมาะคือเปียกท่นเองศาสนาอยู่ได้มากแต่อาศัยท่ายกทายิกาเป็นภูอุปายถามขำชู่ท่ายกทายิกาบ่าดูแลรักษา้าเจ้าพระสงฆ์อยู่ตามวัดตามว่าตามป่าตามดงก็อยู่บ่ได้เพราะอาศัยท่ายกทายิกาทัางนั้นสี่ันอยู่ได ทายกท่ายิกาบำรุ่งรักษาศาสนาคือการให้ท่านพระเจ้าพระสงฆ์บ่มีการท่านหน้าขาค้ายบม่มีลายดส่วนดสิมาเลียงหลางกายทองทันในร่างอย่างยืนได้นอกจากทายกท่ายิกาหามาให้จังได้พบได้ฉันได้ใส่ได้อยมีเฮาให้ผ่าพรทอนสบายให้อาหารการบริโภคก็คือข้าบำบุ่งศาสนาบำบุงพระ เจ้ า, า, า, า, าประสงค์อันใดตั้งนาตั้งสาประพฤติคนงามความดีสืบอายุพระพุทธศาสนาต่อใฝ่เขาคูท่ามยางนั่นระลึกนุกใดเข้าก็ดีใจบรได้เสียใจว่าเกิดมาบริท่านบุญคุนท่านอันใดบรได้ทนทุกได้านทุกสิ่งทุกอย่างสิ่งทีงท่เข้าควรกับท่านบำเพ็ญใดดีนเข้ากับพยาย่ามรักษาตามกำลังศรัทธาความตามาศของเข้า สายของเฮ้าว็ดไปตอกพืชชัวไปทําชัวต่างๆบ่ายจ่าของเฮ้ากอบวเด pee, ็ไปขุดสีพวดหมดเห็จกับผู้ใดต่างคิดตั้งใจขูดตามความจริงคิดท้องเฮ้ากับวองวอกแหวกโลเลเฮหันแต่ท่ามีช้าสิบจีไส่ซิว่าเฮ้ารักษากายว่ายจ่าของเฮ้าผู้ใดเป็นผู้รักษาแต่คิดท้องเฮ้าเหตุสีเฮ้าสีมาทําบุญสุนทานใดแต่พราคิดมันไข่มันคิด อยากไว้ท้ำคุณงามความดีเราจะาไม่ได้ว่าเปนถำแบบมนุษย์กบกผิดทัดท่าความเนื้อความคิต ด, ด้วยจิตใจที่จะออกจากบ้านจากซองไปแสวงหาบุญหาขู่ลมันต้อง น, นึกคิดมา ก, ก่อนถิงก่อนมันจะมาบุมนโนโป่ปุกข้างมาถ้ำมากจิต ใ, ใจเป็นหัวหน้าจิตใจเป็นผู้ถืงก่อนทีผูดตีถ้ำอันใดได้เสือ่าเฮา มาแสวงหาคุณงานความดีเท่านี้เทานึกแล้วคิดแล้วหลังใจความนสิออกจากบ้านจากเนื้องของเท่ามากสารมากสู้วัดว่าอาวะมาสูสาา้ศาสนามากสู้ครูบาอาจารย์เท่ากับฝึกอบรมคิดใจตามคั้สอนสี่เป็นไห่ไวเล่าสี่กำหนดพุดโทโธก่อตามหรือกำหนดลมหายใจก่อตามตั้งคิดตั้งใจกำหนดจริงจริงจังจังยาสีไป แลนตามปัญญาอารมณ์ความนึกจิส่วนอื่นให้ปูกจิดมั่นในทิ้งนั่นถำกันจริงๆจังจั ง, จงแล้วจิตของเฮ้าเมื่อมันนี่เปิเป็นเชิงปลอดคาดปลอข้องไหวนี่ปัญญาเขียนสอนบ่าให้มันไปจิตอ่านฝูงแจ้งในเรื่องใหม่เล็บ จ, จอยอยู่หันเรือ่ อ, อยๆเข่าจิตของเฮ้ากัควายสงบเข่าหยักเย็นเข่าคนสี่สุดแต่ร่วงร่วมให้มันร่วมเหรอมันนี่สั้น มันเป็นสาราประโยชน์ของขี่วบรวมมันเป็นของขี่กระจัดกจายเป็นของขีใส่การใส่งานบ่ได้คือการจะไม่ฉันเอาบ่เอามารวมกันเขาก็บ่เอินกูดีเอินบ้านเอินเฮี้ยนฉันบ่เอารวมกันเขาเสาก็อยู่พราเสาคือตรงอันใดทีมใบคนละไแห่งเวลหนเอินบ้านเอินเฮี้ยนบ่ได้ฉเอามารวมเขาเมื่อปุ๊บ เป็นหลังเผ่าก็เอื่นบานเอื่นที่เอื่นกุ้ดีวิหารอาหารเพ่งเขาแต่ต้องร่วมจงเป็นอาหารเป็นต้มเป็นแจงได้โมเมนต์แบบคิกอยู่วันหนึ่งหนํามตาอยู่วันหนึ่งอันใดก็อันใดแจงแจงบอเขากันเป็นแจงบ่ได้เป็นต้มเป็นพัดบ่ได้ต้องร่วมทั้งวันมีจิตใจเพ่งเขาแต่ถ้านอกเดียวกันมันฝึกฝนอบรมให้มันร่วมทั้งวนยังความที่นิดที่แจหน้า อื่นต่อไปคอยแก้ไขความคิดของท้องใจหาเข้าบอลลงบอลร่วมซะก่อนนอกสิไจะทิจเจน้าลวกวนเอาทีเดียวมันทิปเหน้าได้เนี่ยเหมือนยังวะสมาธิเป็นเครื่องฝึกหากดัดจิตซะก่อนยังคอยสิเกิดปัญญาได้บ่แมนปัญญามันสิเกิดสิจากความฝึกขคลน้องบอลมีการลงการร่วมท้องใจหาทิปเหน้า หอกล่นเอาได้ย่างนั่นให้กับพ่อพี่ยายหน้าเอาได้การฝึกใจให้ล่องให้ร่วมจึงเป็นของสําคัญสี่ขวกเท่าทุกขันทุกคนสี่คนฝึกฝนอบรมเพราะการฝึกการฝนกันกระทำบำเพ็ญนั่นเป็นตบัติของเท่าบ่แมนตบัติของผู้อื่นถึงหนักลําบากต่อบังคับเองค์กรขันโมบังคับมันก็บ่เป็นบ่ไหวบ่ได้บ่ถึงไหน ต่างใจบังคับจิตใจของเขาเฮ้ยหลังเหงือเลยหล่อนให้เขาดูความสงบความรลงร่วมได้มันก็เบาก็สบายถนันใจจิตใจลงร่วมบมมิจริงได้สิสะดวกสบายที่เย็นที่เย็นเท่าสันทบจิตลงจิตลวกเสริมสะดวกสบายหลายร่างกายทั้งก่อนจะขึ้นจังหันโมมิแจ็คแมนมันนั่งอยู่สถานที่ใดแจ็คแมน เบาใไังเบกระดกกระดอกร่างกายเหมือนบ่มีกายความเจ็บความปวดความเหนื่อยความมุ่นบ่มีีคือซ้อม่รวมคองิตค้องใจเบหลายสบายหลายทุกข์หลายอย่างก่าส้อมทุกส่วนอื่นจะหายกให้มันลงมันร่วมให้มันสงบมันลงมันร่วมได แตมีเวลาถอดเวลาถอนสินมะยึดใจแล้วคนคัขวบพิจารณาตามีมันของมันค่ามันติดต่างๆมันแต่แก่ได้ถอนได้พอคนขวบใ่ด้านหน้ายึดใจมันล่ามันเนมยมันเน็ดมันเนมยในการจิดอ่านคนขวบทางสัญญาให้มันลงมัาร่วมอีกจะคล้องเยอยางนั่นจนเมื่อใดยิดใจมันจะมีด้านาน แมการฝึกการอกลมเหล่าขาดแต่ละขังแต่ละข้าวแต่ละมือแต่ละวันอยู่ฝึกเคลื่อนใจมาเล่าบริสุทธิ์ปฏิบัติช่นงานซ่อมดีอันใส่หมดมือหมดรั่นไปก็เป๋าหนีเคือซ่อมฝึกจนติดงิ้วใสจิกจิกจิกใจของเท้าเป็นยางนั่นขาดไ่ได้ข้ามกันยืดสม่ำเสมอใส่การฝึกดั่งตนวันฟูที่ฉันฝึก่ันอบลมฟังเพลินมาก ตนนี้ตน น, นั่นเป็นเป็นอยู่ทุกการทุกเวลากิจข้องเพันเป็นมหาสกิจปัญญาข้องพันเป็นมหาปัญญาอารมณ์สัญญาความปรุงจิตในจิตในใจแบับขึ้นเมื่อใดเพื่อนสองท่านอยู่เมื่อนะ่ะเมื่อใดหลงและอารมณ์สัญญาอนนั่นเขามากก้อ ย, อยจิตก้อใจถึงนั่นเพราะปันใดมูจักถึงใช้เมื่อมันบ่อนมันกระดิ ในจิตในใจสังขารฝูงเมือ่อยรูจักเมื่อนั้นรูซึกเมื่อนั้นมันเป็นทายดีทายตัวหูจักท่านก็กันฝูงของมันแล้วปัญญาสอดแสดงเข่าพิมิตพิเจนามันเป็นเรื่องท่ามหรือเป็นเรื่องท่ามยางไหลเข่นสิให้มันฝูงซอไปเรื่อยเข่น ส, สนสิดับมันเป็นรูท่าน เพิ่นเล่าบอกนี่การเสียเวล่าเสือเฮ้าพอเพิ่นสมิสา่านในการซึกจิตเจิตสงเฮ้านีเมื่อทุกให้มันละเอียดเข้าไปเลยสติมันกล้าปัญญามันคมความเกิดคมเป็นตรงเรื่องขี้เล็ดเรื่องชาวมองค้องใจบอกไว้ในนีเวลาเกิดขินมากทับผมจิตใจพราะสติเพิ่น นี่ยถูการทุกเวลากัน้ากกนนี่อยู่ทุกข้าว ท, ท, ทุกสมัยอย่างเชื่อสาละโมกเล่าบอโควนาเข้าไปโยวของกัดจิตกัดใจของเพลินได้เป็นจนตีซุดเป็ น, ปนลูล่รอบเข่าถึงในก่การซุกการอบล่มท่องเพลินมันเพียมลงไปหรือมันจะเล่นเทนแต่บอมี่เสียจิตเสียใจเพราะความเพียมความจะเล่นปัญญาเพลินลู่แล้วเขาใจแล้ว จิงได้มันเกิดจิ้งนั่นมันกระดับเตรียมลงไปบริด้เสียใจตามค่อมเตรียมของมันจะเริ่มขึน้นบริเรเดือดเลยตืน่นตามซ่อมจเริ่มข้องมันรูเห็นตามเป็นสิ่งอยู่ยางนั่นผลสุดคว้มปฏิบัติของคนสม่ำเสมอบรตื่นคือเฮาผูกพุกใหม่โอบลมใหม่ต่อไปคิตใจของคนพลึกเขาคนเขาที่แจ้นหน้าเขา ใจละเอียดแยบค่ายเขาไปจนแกะไขความคิดของของโลกทั่วไปไ ด, ด, วด้นี่ความบริสุทธิ์พุทธโทอยู่ยงนั่นบ่มีแต่เปี่ยนเปลี่ยนก็สิ่งใดมีจิตใจบริสุทธิ์อยู่ถูกกาดทุกเวลา่าตีไปตีมาสิลับสีนอนบริสุทธิ์อยู่ยังนั่นพอจิตจบริสุทธิ์นั่นมันบรแมนถาดแมนขัน มืมันสัญญาอารมณ์ใจจักไม่นลุกพิงต่อพืปฏิบัติ น, นี่อานิสงส์ของการฟุดอารมจิตถึงที่สุดตามสำรับสำล่าหรือตามคูบาอาจารย์ท่านกาวไหวเป็นอย่างนั้นเข้า ท, ทัวไปสิมุ่งมาสแสดงหาคุณงามความดีก็อยาเกจะมนี้วาอมสุขของใจอยากเะียเป็นภูบริสุทธ์เพราะอยากเย้ของในการเกิดการตาย การหมุนการว่ายในโลกอีกต่อไปอเขาก็มันฝึกมันอุ้มล้เรื่อยๆไปผู้คนถึงความบริสุทธิ์ยังมีขัน้นจะฝึกมากยางังพวกเข้าฝุกนี่หละคอยฝุกไปที่นิที่หน่อยเคลื่อนที่ไป่ืี่นั่นก็เข้าเดินท้างอเอเองานก้านั่นนุ้นเก้านี่เก้านี่นุ้นเก้านั้นหลายเก้าวเขาไกลจากข้านที่เรื่อยไปใส่จากใส่จากที่เข้า หากาเศร้าคนที่ชุดจะไปถึงจุดที่เขาหวังได้สายก่าเดียวบ่หอดบ่ถึงดอกอาศัก่านั้นหมุนเก่านี่มีการต่อพปฏิบัติต่อพืชปฏิบัติไปทุกวันทุกเวลาแต่ถ้ามัทว่นใจอยากไปถือว่าเวล่านี่มันยาไล่านันมันหนุ่มมั่มีคู่ใดมันสบายดอกโลกอันนี้แต่จะควนยาคว่ำหุ่เท่านั้นเอาคว่ำยาคว่มุ่มมาเป็นเครื่องพักดันเอา ทำอยาความหย่มะเป็นแน่วหนาเหตุยังบ่ได้ข่าอยู่เท่านั้นยากยิงสั่นมมีคู่ใดเปนไงพระพุทธเจ้าก็บอกง่ายยากยแถบหลมแถบตายวัวพันจิตไหนคุ้นงานความดีมะสอหลกถายริยเจ้าทั้งหลายใช่ยากแสนยากลาบากแสนลาบากบางขันบางโง์ดรับลดนอนเป็นตลอดตสมาตามเดือนเป็นตาแตกยังพยจักผู้บาน ใบยอมรั บ, บรย่อมนันหากมาผลบกเปิดขึ้นได้คิคดไดใจที่ใบย่อมเหยียด่อมนอนเลยต่างคิดต่างใจระยะหนังถ้ำความเพี้ยนกันยังธมะธรรมิญเหนทีชุดตาแตกตาเหนียตาในจะได้ซ่อมหลูล่ความสลาดขึ้นในระยะตาเหนืยวคนแตกคนหลู่แฉงแฉ้งตลอดในถ ดราก็บอกเป็นปัญหาอันใดสำหรับตาเมือ่อเวลาเป็รูทางจิดทางใจถึงยางใดนั้นบาดเข้าวนี่นั่นก็คือบาดเข้าตายให่ล่ะสำหรับตา